พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนแสดงโปรโดขณะคุณหมออวยที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่สองเมษายนพศ2 5 8 8ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานี ฝังเทศที่ถูกต้องนี่และปรากฏผลประจับใจในขณะฟังเทิโปรดตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าแม่ต้องทำความสำคัญับภายนอกแม่ที่สุด กับท่านผู้เทวการตั้งจิตไหวเฉพาะนาจึงเป็นเช่นเดียวกับภาชนะที่เลาตั้งไว้สำหรับรองน้ำหงายปากขึ้นแล้วตรงช่องที่น้ำจะไหลหนึ่ง เราไม่ต้องเคื่อนย้ายไปที่ไหนน้ำจะไหลลงมาที่ัหนและสามารถจะทำภาชนะนั้นๆซึ่งตั้งไว้แล้ว ด, ดีให้เต็มได้ด้วยน้ำการฟังเทศคือจะให้ปรากฏมีอนิสงตามที่ท่านกล่าวไว้ห้าประการก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน คำถุดท้ายแห่งอานสง์ของการฟังเทศทันว่าจิตผู้ฟังธทรรมย่อมผ่องใสในขณะนั้นธรรมะที่เข้าไปสัมผัสกับใจของเราในขณะที่เราฟังเทศนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปชะล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ ใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องถ้าล้างอยู่เสมออย่างน้อยก็ยังเข้าสู่ความสงบ เ, เยือกเยน็นมากกว่า น, นั้นก็มีความสะอาดียกพายขึ้นภายในจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าปันดาในขั้งพุทธการ เราเคยทราบในตำรามีจำนวนไม่น้อยว่าท่านผู้ฟังโดยสำเร็จมักผลเป็นขั้นขั้นขึ้ น, นไปบางท่านถึงสำเร็จสำเร็จถึงขั้นใช้หัสตับภูมิก็มีนี่เกิดขึ้นจากหนึ่งท่านได้ปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของท่านมา อย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีปัญญาเฉียวฉลาดและอยู่ในขั้นที่จะแกขายตนได้ในขณะนั้นด้วยและท่านที่ได้อบรมมาพอสมควรคือด้วยข้อปฏิบัติดัดจิตใจของตนเวลาฟังพระองค์ท่าน ทรงโปรดก็ได้คติเที่ยงแก้ไขจิตใจของคนไปเป็นขั้นๆเพราะขณะที่ฟังท่านมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่เต็มไปด้วยเหตุผลและธรรมทั้งหมดที่ท่านชี้แจงแสดงไปล้วนแล้วแต่แสดงเรื่องของเราทั้งนั้นแม้จะท่านจะปริมิตรานแล้ว ศาสนธรรมยังเหลือมาถึงพวกเราที่ซึ่งม่ได้สาดศูนไปที่ไหนเลยก็โปรดได้ทราบว่าธรรมะทั้งหมดในครั้งพุทธการที่ทรงแสดงแจกพุธบรรุิษกัททั้งหลายกับธรรมะที่เราทั้งหลายได้ฟังอยู่ทุกวันนี้มีขณะนี้เป็นต้นก็โปรดได้ทราบว่าเทศ เรื่องของเราแม้ท่านจะแสดงเรื่องของคนอื่นพอเช่นเดียวกับแสดงเรื่องของเราพูดถึงเรื่องทุกข์เราก็มีพูดถึงเรื่องสุขก็ถูกตัวของเราเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วเช่นกันพูดถึงเรื่องความบกพร่องขาดเถิน กถูกตัวของเราถูกถึงเรื่องความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ถูกเราเพราะเราไม่อมจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นบางครั้งบางคราวหรือเสมอมาเหมือนกันฉะนั้นเมื่อท่านแสดงถึงเรื่องถุกเรื่องทุกเรื่องได้เรื่อง ài, เสี้ เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเศร้าโซกเรื่องเพิดเพินเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงทั้งหมดจึงมาถูกกับเราทุกทุกทัดไม่ได้ถดไปแม้แต่รายเดียวเมื่อปันเป็นเช่นนั้นธรรมะคำา้องสอนของปุถุจ จึงจัดวว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องกับโลกทั่วๆไปไม่เคยสอนโลกให้ผิดจากเป้าหมายทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเลยจนกระทั่งถึงสัิเดชานหากเขามีความรู้จึกและมีความ เ, เะฉะละียวฉลาดรู้จักสมมุติดีชั่วเช่นเดียวกับเราแล้วสัจดเดชานเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์ จากศาสนธรรมคำสอนของพระพธธุทธเจ้าเช่นเดียวกับพวกเราแต่นี่เพราะเขาเป็นชาติที่อาภัพอาภัพทั้งอำนาจวาสนาในเวลาที่เขาส่งอัตภาพความเป็นสัตว์อยอาภัพทั้งความรู้ความฉลาดในสมมตินิยมที่มนุษย์ใช้และศาสนธรรมที่พระองค์เจ้านำมาแสดงเขาไม่รู้เรื่องรู้หล่า เขาไม่ทราบบาบา บ, บุญเป็นยังไงดีชั่วเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงในคําสอนที่พระองค์ท่านแสดงออกมาทั้งๆเขาก็มีอยู่ทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับมนุษย์เราเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมคําสอนของพระโทธเจ้าจึงสมควรจะเป็นธรรม ที่ควรจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ควรจะเป็นศาสดาของโลกดั่เพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ท่านที่แสดงออกไปไม่ผิดจากความมีความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแสดงไปที่ไหนถูกทั้งนั้น ไม่ผิดจะแสดงเปทางชั่วเพื่อให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นโทษทางความชั่วก็ถูกต้องจะแสดงทางความดีให้ได้เห็นเป็นเครื่องดูดตื่นจิตใจและให้มีแก่ใจ เพื่อจะบำเพ็ญความดีก็ถูกต้องไม่มีแง น, นไหนผิดและไม่มีทำคอไหนที่จะเป็นฆ่าผิดต่อโลกตลอดมาจนถึงปังนนี้ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนชาติชั้นวรณนะไหนไหน ยอมเป็นผู้จะต้องได้รับความสุขความทุกข์ความบกพร่องขาดเขินเช่นเดียวกันหมดเพราะเป็นผู้มีเจริเครื่องก่อควรด้วยกันก่อธรรมะเป็นเครื่องที่จะแก้สิ่งที่ขัดข้องของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อแสดงลงที่ไหนจึงถูกตั้งแต่เรื่องของสัตว์ที่เป็นดีทั้งนั้นท่านผู้ฟังจึงควรน้อมเข้ามาสู่ตนเสมอไม่ว่าท่านจะเทศออกข้างนอกหรือจะเทศเข้ามาข้างในไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องของใครหรือของสัตว์ตัวใด ไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องโลกใดหรือสิ่งใดโลกนั้นสิ่งนั้นสัตว์นั้นบุคคล น, นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเช่นเดียว ก, กันกับเราในเรื่องความสุขทุกข์ได้เสียผู้สามารถปฏิบัติตามพระโอวาทของท่าน และตามเพศตามวัยของตนก็อยอมไม่เคียทีและไม่ร้ายผลนังจะเป็นผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นเฉพาะหน้าหรือเป็นลำดับลำดับไปตามแต่เหตุที่เราดำเนินสู่ต่อและได้มากน้อยแค่ไหน คำว่าธรรมนิธรรมะเป็นกลางๆถ้าจะเทียบก็เหมือนกับสมบัติซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เมื่อใครเป็นผู้หามาได้ผู้นั้นก็ครองกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติประเภทใดผู้นั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในสมบัติประเภทนั้นๆโดยสมบูรณธรรมะไม่ว่า ส่วนน้อยส่วนมากที่ผู้บำเพ็ญได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคนขอยอมจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อันสมบูรณ์ในธรรมะประเภทนั้นๆเหมือนกันคำว่าเสรีภาพ ที่ได้กล่าวมิสนทนากันผ่านมาเมื่อสับคู่นี้เมื่อแยกเข้ามาสู่ธรรมแล้วทมทั้งหมดเป็นเสรีภาพธรรมผู้ปฏิบัติกามธรรมะซึ่งเป็นเสรีภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วยอมใจรับเสรีภาพเป็นลาดับลาดับไปที่เราทั้งหลาย ไม่ได้เป็นเสรีภาพภายในตัวเองก่อนเมืองจากเรายังไม่เข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสิ่งบีบบังคับเราเองแม้ที่สุดหน้าที่การงานซึ่งเราเคยทำส่วนที่เคยทำนั้นก็ยกไว้แต่จิตใจของเราเมื่อไม่มีธรรมะ ซึ่งเป็นอุบายที่จะให้รอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนการงานนั้นๆก็กลับมาบีบบังคับเราได้ทั้งๆ ท, ที่การงานนั้นไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแต่เราเซเองเป็นผู้มีหน้าที่และรู้เรื่องรู้ราวที่จะทำติดการงานนั้นๆแต่แล้วก็เกิดความกังวล และความเดือดร้อนเพราะการงานของตนอย่างนี้ท่านเดียดว่าเราไม่รับเสรีภาพในการงานของเราเพราะเราไม่หลอขคอธรรมะครามตังสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเสรีภาพนั้นคือให้ความเสมอภาคในหน้าที่การงาน และให้ความเสมอภาคสำหรับผู้ทำถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับหรือบีบคั้นจิตใจของเราถ้าเรายังไม่สามารถแจออกได้ยังเหลืออยู่มากน้อยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นเครื่องบีบบังคับเพื่อไป เราก็ยังเป็นอิสาระภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้บำเพ็ญหรือแก้ไขสิ่งที่ดีบบังคับนั่นเสียเลยวิธีที่เราอบรมจะเป็นงานประเภทไหนที่ว่าเป็นงานที่ชอบ ที่ท่านให้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วงานประเภทมันนั่นแหละเป็นงานที่จะเป็นไปเพื่อโตดแอดคือเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราที่ท่านกล่าวประนามเสมอซึ่งเราทั้งหลายก็ยินกันอยู่จนขินหูว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องบีบบังคับเราแม้เราจะโกรธให้เขาเราถือว่าเป็นความดีสำหรับเราแต่แล้วเราก็เป็นผู้ร้อนไม่ร้อนไม่โกรธให้เขาความโกรธนี้ก็แสดงผลให้เราเดือดร้อนความโลภเมื่อไม่รู้จักเมืองพอดีก็เป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจของเรา ให้มีความทะเยอทะยานมีของของตนมีเท่านี้แล้วอยากได้ของคนอื่นมาเพิ่มเติมเตะแสงหาโดยวิธีต่างๆโดยวิธีคดวิธีโกงแล้วแต่จะได้มาด้วยวิธีใดไม่แต่คำานึงจึงหัวใจของเขา แต่ขอให้สมกับใจของเราที่ต้องการแล้วเป็นพอเหล่านี้เราจะถือว่าเป็นความสุขก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นไปตามทางไม่พอได้มาแล้วก็เดือดร้อนทั้งสองประเภทนี้เพราะอำนาจแห่งความหลงนั่นเองเป็นตัวหตุความหลงก็ถุดากไป มีทานกวาเรียกว่าเป็นเครื่องฉุดลากหรือบีบบังคับอันนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นอิจร ะ, ะเสรีได้พูดถึงเรื่องความโกรธ ห, ห, หรือความโมโห ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มอำนาจวาสนาแต่เป็นสิ่งที่จะทำอำนาจวาสนาให้อับเขาลงไปคนผู้ที่ชอบโกรธมากๆไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนความโกรธท่านจริงให้ชื่อว่าเป็นไย แต่ธรรมดาต้นไฟอยู่ที่ไหนความร้อนก็ต้องอยู่ที่นั่นก่อนจะโกรธให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนต้นผู้เป็นต้นไฟก็ต้องเดือดร้อนก่อนก่อนเขาแต่ตัวเองไม่ทราบทราความโกรธนั้นเป็นต้นไฟเกิดขึ้นที่หัวใจและเผาผลาญตนเองก่อนแล้วจึงลุกลามไปหาคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วย พระโทธิเจ้าท่านจึงประนามและพยายามขับไล่สายส่งออกนี้ให้หมดเมื่อความโกรธนี้หมดไปแล้วตนเองก็อยู่สบายจิตที่มีความโกรธแค้นต่อคนอื่นก็กลายเป็นความเมตตาหรืออ่อนโยนต่อตัวเองและคนอื่นไปได้มีความรู้สึกอนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีสิ่งแทรกซึม เมื่อสินแทรกซึมนี้ขักดันให้เป็นไปอย่างไรจิตใจก็ย่อมเป็นไปได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นธรรมคำั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จะพยายามขับไล่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปธรรมะไปถึงไหนความร่มเย็นก็ไปถึงนั้น เราบำเพ็ญธรรมะไป้ถึงขั้นไหนได้มากเท่าไรความล่มเย็นก็มากถึงขั้นนั้นในบุคคลผู้นั้นเช่นเราได้ให้ทานทานจะมากหรือจะน้อยก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นภายในใจว่าเราได้ให้ความปลุกแก่คนอื่นนอกจากนั้น บุญกุศลที่จะเป็นความสุขย้อนหลังกลับมาหาเราก็ยังมีคนอื่นที่ได้นับการให้จากเราสิ่งที่ให้ไปนั้นเขาก็เอาไปทําประโยชน์ให้ได้รับความสุขจะให้ข้าวหรือให้น้ําหรือให้เสื้อผ้าให้วัตถุสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสละกรรมสิทธิ์ให้นั้นให้คนอื่นให้เขาได้รับความสุข เขาก็ย่อมคิดเห็นบุญเห็นคุณเราและสออัตยาศัยท่องเราว่าเป็นผู้มีน้ําใจอันกว้างขวางใจท่องเราก็มีความยืนแย้มแี่มใสและคนที่มีทานหรือเป็นผู้หนักในทานไปที่ไหนไม่ค่อยจะอดอยากมูเพื่อนก็มากไปที่ไหนแทนที่จะผัดคล้องขาดเทินก็ ไม่ขาดเขินคนที่มีทานภายในใจหรือมีการสะละเป็นนิสัยของใจไปที่ไหนไม่ยอมตายเนื้อจะไม่มีมากแต่ก็ไม่จดเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนให้ไปแล้วนั่นแหละเป็นอนิสงส์ตามรักษาผูนันแต่คนที่ชอบเห็นแก่ตัว มีความตรหนี่เหนียวแน่นเป็นกำลังแม้ที่สุดเพื่อนก็คบพาสมาคมไม่ติดเพราะเป็นคนเห็นแก่ตัวข้างเดียวมีธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าที่ตังสอนว่าทานทานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะโลกที่อยู่ด้วยกันได้เป็นปรึกแผนแน่นนานั้นยอมอาศัยการสลัเป็นของสำคัญ เช่ลูกที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่หลังนี้ต้องได้รับการสละจากพ่อแม่เสมอสละมาเป็นลำดับสละมาตั้งแต่เลือดเนื้อสละทรับสมบัติสละชีวิต จ, จ, จิตใจสมบัติทุกประเภทสละเพื่อลูกทั้งนั้นนับตั้งแต่เข้าป้อนน้ํานมมานับแต่จํานวนน้อยจนถึง จำนวนมากตลอดถึงลูกโตมีลูกมีความเติบโตขึ้นมาจนนักษาตัวคุ้มและมีทางหากินได้แล้วพ่อแม่จะคอยลามือไปหน่อยนี่ลูกกับพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการสลับคนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจของการเสียสลับ สต่ฐรานที่อยู่ด้วยกันได้เป็นหมู่เป็นพวกก็เพราะความเสียสลับเพราะฉะนั้นคำว่าทานจึงเป็นรากฐานของโลกทันส ำ, ำคัญหากว่าโลกนี้ได้ขาดทานไปเสียระหว่างพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างเพื่อนฝูงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างญาติต่อญาติก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ระหว่างพระกับโยมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สัตว์ด้วยกันที่เป็นหมูเป็นพวกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่ด้วยกันได้เมื่อขาดการเสียสละเสียการเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นท่านเรียกว่าถานแปลว่าการให้สัตว์เขาก็มีพ่อมีแม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่อยู่ที่ดิน เป็นที่อาศัยทุกสิ่งทุกประการทานจิงนี้ละเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโลกพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ทานอบารามีวางขึ้นเป็นข้อตน้นทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกลายเป็นมหาทานถึงก็เขาได้ขับไล่ใส่สงพระองค์หนีในค่าวเป็นพระเวสสันดรถึงเขาจะขับไล่ก็เป็นความผิดของเขา แต่ไม่ใช่เป็นความผิดของพระเวทสันดรที่ให้ทานแล้วให้ร้ายผลไปเสียหากว่าพระเวทสันดรให้ทา น, นได้ร้ายผลไปเสียตามโลกเขาตาหนิติโทษนั่นแล้วก็คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าและมาสอนพวกเราทั้งหลายว่าจงเป็นผู้มีความยินดีในทานและให้ทานมาถึงนท่าถึงบับนี้คำว่าทานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อเด็ดจัสรู้แล้วต้องตัดออก ทานมลรมีที่จะมาสอนพวกเหล่านี้ก็สอนไม่ได้เพราะนร้นผลเป็นไปตามความตัมนิสิชมของบ้านเมืองแต่นี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทานนี้เป็นนาคฐานสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งถ้าคอดดวงชีวิตคือหวัวใจนั้นออกเสียจะเป็นคนชาติชั้นวรณะพิเทศใดก็ต า, ามจะคงตัวความคงความเป็นมนุษย์หญิงชายอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้น มีทาพอทานออกเสียจากโลกนี้โลกนี้ก็จะตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันดังที่เห็นใกล้ๆก็อย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณนะบัดนี้ไม่ทราบว่าบ้านของท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ทราบว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนยังมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้และสนิทสนมมากยิ่งกว่า ชนิดขนมผู้ใดๆเพราะอำนาจแห่งธรรมธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นถึงกับฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจกันได้มีความไว้ใจกันได้ที่สุดสำหรับผู้ถือธรรมะด้วยกันเราจะเห็นได้อย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันในบัดนี้ถ้าเป็นที่อื่นมารวมกันอยู่อย่างไม่ได้เกี่ยวกับด้านธรรมะแล้ว ต้องเรายังระวังกันเอาสิ่งของไว้ที่ไหนก็ครวรจะฉกจะนักไม้ใจกันไม่ได้มีเงินอัดหนึ่งพันหนึ่งก็ต้องได้ระมัดระวังรักษานี้ไม่เป็นเช่นนั้นฝากเป็นฝากตายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความไว้วางใจหรือตายใจกันได้ทั้งนั้นนี่อํานาจของธรรมะมอบความไว้วางใจให้บุคคลได้สําหรับผู้ถือธรรมะ มันมีความระแวงซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ชัดๆว่าธรรมะคํำอสอนของพระพุทธเจา้ามอบไว้ความไว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นท่านผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติตามสาสนความคำสอนของพระพุทธเจา้ามีความสนิทสนมกันได้อย่างแนบแน่นทีเดียว ผิด ก, กับประเภทอื่นๆคนเราที่มีการครบค้าสมาคมกันธรรมดาอย่างนี้ต้องมีการระมัดระวังหรือระแวงซึ่งกันและันแต่คนที่มีความพบมีความสนิทสนมกันในด้านธรรมะแล้วเป็นที่ไว้วางใจกันหน้าอย่างเต็มที่แต่นั้นธรรมะจะแปลว่าให้ความไว้วางใจก็ได้ นั่นเป็นเรื่องภายนอกที่นี่ย้อนเข้ามาเรื่องภายในใจของตนเองสิ่งใดที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของเราสิ่งนั้นธรรมะยังรู้ชาบเข้าไปไม่ถึงยังแก้ไม่ได้เช่นความโลภนี่เป็นค่าศึกอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังแก้ไม่ได้นั่งเหลืออยู่ขนาดไหนความโลภนั้นก็จะต้องเป็นภัยต่อเราและเป็นที่ระวังอยู่เสมอความโกรธ ถ้าเรายังแก้ไม่ได้มากน้อยยังเหลืออยู่แค่ไหนก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นมันจะโกรธให้คนอื่นครอบกับคนในเขาพูดไม่ถูกตกถูกใจผิดหูสักนิดหนึ่งก็คอยจะแสดงความโกรธให้โกรธให้เขาต้องระวังอู่ตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายต้องล่ามโซ่ไว้ไม่เช่นนั้นจะเที่ยวกัดเขา ถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ดูร้ายต้องระวังเสมอจะพูดกับหมูกับเพื่อนไม่เพียงแต่ตัวระวังหมูเพื่อนกันยังต้องระวังเพราะกลัวคนนั้นเขาจะโกรธเพราะเขาเป็นคนที่โกรธนะต้องระวังแต่ผู้ที่ระวังตัวจะโกรธให้เขานี่นั้นว่าเป็นผู้ดีอยู่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าความโกรธอันนี้เป็นไผ่เพราะธรรมะ ยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงอย่างเต็มที่แต่เพียงด้อยลองลงก็ออยางมีการด้อยลงได้นั้นเพราะอํานาจของธรรมะจะด้อยลงด้วยวิธีกดขี่บังคับก็ อ, อย่างหลดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามเพอใจให้เขาลุกลามไปไม่มีเขตมีเดนแค่อีกอถ้าผู้ที่ได้บําเพ็ญคุณงามความดีอบรมตนจนธรรมะมีในใจ สามารถซึมซาบเข้าไปถึงความโลภความโกรธอันนั้นและขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างเต็มที่แล้วความโลภก็ไม่ต้องระวังความโกรธก็ไม่ต้องระวังแม้เขาจะโลภเอาของเราเราก็ไม่เสียใจเราก็ทราบเลยชัดๆวันนั้นเขาโลภไม่ใช่เราเป็นคนโลภเขาโกรธให้เราเราก็ทราบชัดๆวันนั้นเขาโกรธให้เรา แต่เราไม่ได้โกรธให้เขาเราก็ไม่มีความที่หายอะไรนะพูดถึงเรื่องความหลงนี่ก็เป็น50อันหนึ่งความหลงนี่มีความมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดถ้าหลงมากๆลืมมากๆอกก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยเพราะขาดสติถ้าหลงธรรมดาสามัญของเรานี่ท่านก็เรียกว่าความหลงนี่เป็นความหลงธรรมดาสามัญ ความหลงในธรรมมันส่วนละเอียดก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วแต่เมื่อสรุปความแล้วความหลงนี้ท่านก็บียบว่าเป็นภัยอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังไม่ซึมซาบจนสามารถจะขับไล่ออกได้อันนี้ก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงไปตามเรื่องนั้นหลงไปตามเรื่องนี้เขาว่า ด, ดีกว่าจะหลงไปตามเขาว่าชั่วกาจะหลงไปตาม เพราะว่าอะไรดีก็จะหลงไปตามทั้งหมดเลยกลายเป็นคนหลักรอยไม่มีที่ยึดที่หมายเป็นคนเชื่อง่ายโดยแม่โดยประจากผลนี่นี่เมื่อหลงออกมามากมันเป็นอย่างนั้นใครว่าอะไรที่ไหนก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเลยหาเงอนตนเงินใจไม่น่ะและหาหลักหาฐานมาน่้แต่คอยจะเชื่อเขาอยู่ล่ําไปแต่ไม่ได้เรื่องนี่จะเหยียกว่าความหลงเมื่อธรรมะ เราได้นำธรรมะเข้ามาคือหลักเหตุผลมาไตรตรองดูควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อฟังให้ให้ดีพิจารณาให้ชัดไตรตรองดูเหตุผลตามสมควรเห็นว่าจะควรเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามแล้วนั่นแหละทำลงไปจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดโดยมากที่ทำความผิดพลาดให้ตนได้รับความเด็ดด้วยเสมอนั้นเพราะเข้าใจว่าตนทาถูกต้องและไม่คีนิดพิจารณา ผลแสดงขึ้นมานั้นไม่เป็นไปตามจำนวนของตนที่ว่าถูกต้องเพราะเราทําผิดผลต้องแสดงผิดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาให้ตนได้รับความผุกนี่นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นความหลงนี่จะดับไปได้ก็เพราะอํานาจแห่งธรรมปัญญาธรรมก็เรียกวิจารณธรรมก็เรียกนํามาไข้ครวญเราจะทําอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรม ไม่ว่าการไปกานมาไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมากน้อยไม่ว่าเกี่ยวกับเราหรือกับงานโดยเฉพาะเราต้องนำปัญญามาใช้เสมอเรื่องความโง่แขวเบาปัญญาก็จะข่อยลดน้อยข่อยลงไปและเป็นนิสัยผลวิจารณธรรมเรื่องอะไรต้องมีปัญญาออกหน้าเสมอไม่เอาความหลงนั้นออกเป็นโลหรือเป็นหัวหน้าฉุดลากเราปัดเราก็จะไม่รับความทุกข์ ในเสวยผลคือความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่ล่ำไปมมเมื่อสรุปความลงแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกบ่เป็นฆ่าจึกเมื่อธรรมะได้ซึมซาบเข้าไปถึงไหนความหลงความหลงก็น้อยลงจนสามารถขับไล่ความหลงได้ออกหมดจากจิตใจแล้วโลกก็ไม่ต้องระวังโกรธก็ไม่ต้องระวังหลงก็ไม่ต้องระวัง มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนี่ท่านเรียกว่าเสรีภาพอันสมบูรณ์ในทางภายในผู้ใดเป็นผู้สามารถปฏิบัติตนได้กายเป็นผู้มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีค่าสึกภายในทั้งค่าศึกภายนอกก็ ม, มีสะานที่จะติดต่อกันให้เกิดความยุ่งเหยิแก่ตัวเองทางพันก็ต่างดีวางไว้ตามสภาพความเป็นจริง รูปจะมีมากน้อยเต็มแผ่นดินก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลรูปพัสดุสิ่งของรูปหญิงรูปชายรูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรก็แล้วแต่เห็นสภาพตามความจริงไปหมดนี่ก็เรียกว่าเสรีภาพมอบไว้ตามคติธรรมดาของเขาไม่ไปกดขีบ่บังคับไม่ไปเย็นยอสนเทศเขาเขามีอย่างไรเขาก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดสภาพเหล่านี้เคยมีมาตั้งแต่ การไหนๆเสียงก็เหมือนกันเรื่องเสียงดีเสียงชั่วเสียงสนเสริญเสียงมินทามันเป็นเรื่องของมีอยู่ประจําโลกเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี้นี้ด้วยปัญญาแล้วเสียงก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราเราก็ไปเกาะเกี่ยวจินมินทาหรือชมเคยเสียงนองนั้นเพราะเรารู้ตามเป็นจริงรถเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเย็นน้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์ คือความปรุงในแจ่สังขารเกิดขึ้นภายในใจเมื่อปัญญามีความราบอบคอบแล้วสังขารที่คิดขึ้นมาก็เป็นแต่เพียงขันเขานั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญไม่ได้เป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงซึ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นขันไปเริล้วนไปเสียรูป ก, ก็เป็นขันประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริวทนาก็เป็นขันประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริง สัญญาความจําก็ใช้ไปอย่างนั้นก็รู้ตามเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารีว่าเป็นตนเป็นของตนว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาปล่อยไว้ตามสภาพนี่ท่านเรียกบรถาัปูตัญยานาทันังให้ความเสมอภาคทั้งสภาพภายนอกให้ความเสมอภาคทั้งรูปกายเวทนาสัญญาสังขารมิจารีตให้ความสมอภาคทั้งเรื่องของใจไม่ได้กดขี่บังคับ ให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่เลยท่านเรียกว่าทำเสมอภาคเต็มส่วนหรือความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์ในตัวเองไปที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตนไม่มีเชื้อแห่งภัยเวรอยู่ภายในใจไปที่ไหนก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ทังไม่พุ่งเพ้อเหว่เสริมไม่หดหูมีความอาดหาร่าเริงอยู่ด้วย ความมุ่งสุดใจของตนเองที่ได้ชำระแน่ด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าธรรมะให้ความเสมอภาคให้มาเป็นทันทันอย่างนี้เสรีภาพ ค, คือความสม่ําเสมอเรื่องภายนอกก็เสมอไม่ตำหนิปิดโพดเขาว่าเป็นนุ่มๆดอน ๆ, นๆเรื่องความเป็นภายในของตนก็ให้ความสม่ําเสมอ ความบริสุดเป็นของคงที่ไม่มีรุ่มรุ่ ม, มดนอนดนอนนี่ท่านเรียกว่าทำแท้จะเรียกว่าทำโมปีโปก็ได้มีความสว่างจะไหวภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ได้ละบทบาทแห่งความเป็นเช่นนั้นนี่เป็นทำโมปีโปของผู้บำเพ็ญกลายเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าจะกล่าวว่าพุทโธก็คือความรู้อัน บ, บริสุทธิ์ดวงนี้เองเป็นพุทโธของเหราถ้าจะกล่าวว่าธรรมโมก็คือธรรมโมปดีโปะคือความหมดจดแห่งธรรมะซึ่งอาศัยอยู่กับพุทโธที่บริสุทธิ์แหน่บริจุทิ์นี้ถ้าจะาว่าสังโฆก็คือเจ้าของผู้ทรงไว้ซึ่งพุทะกับธรรมะทั้งสองดวงนี้เมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นแท่งเดียว แต่ว่าพุโทโธอันใดธรรมะก็อันนั้นแต่ว่าธรรมะอันใดสังขะก็อันนั้นมเมื่อรวมเข้าแล้วเป็นทองแข่งเดียวคือ ท, ทองอันล้นขาดได้แก่ดวงใจที่เบิกจุดแล้วด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรร ม, มนี่เป็นธรรมฝ่ายขนเห็นประจักษ์กับท่านผู้บําเพ็ญไม่ว่าข้างคุตาการไม่ว่าข้างนี้ทิเลศท่าได้แทรกถึงอยู่กับจิตใคร ไม่ได้ว่าจิตครั้งพุตธการจิตคนครั้งนั้นจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นายหมุนกันเมื่อความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงจิตของผู้ใดแล้วไม่ว่าจิตคนครั้งโน้นไม่ว่าจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตานิพานเหมือนกันอืึ่งทให้ความเสมอภาคเป็นนี้ตั้งแต่ครั้งขบถุติเจ้าตลอดมาถึงบัดนี้และยังจะให้ความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นลำดับลำดับ ตลอดการไหนแล้วแต่ธรรมานุธรรมะปฏิปันโกถ้าพูดปฏิบัติสมควรจะ่ทำผลจต่พึงได้รับก็ต้องเป็นผลที่สมควรและเป็นที่พึงพอใจแต่ตนเองแล้วทมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้โปรดไดโอปนายโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าทมทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราท่านพูดถึงเรื่องดีก็กระเทือนเราพูดเรื่องชั่วก็กระเทือนเรา พู ด, เ, ด, เ, ดรเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงก็กับเทือนเราพูดเรื่องธรรมะคือให้ความร่มเย็นจากตนเองก็กับเทือนเราผู้ปฏิบัติธรรมพูดถึงท ำ, ท, ำที่ให้เสรีภาพเป็นขั้นๆเข้าไปก็จะได้แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมเป็นลําดับๆแบบนีบน้ท่านพูดถึงทำให้ความแตงโภาพอย่างเต็มที่ก็จะได้แก่เราผูดที่ดําเนินให้ถึงขีดสุดคือวิมุตติธราน เช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายและท่านที่เป็นนักศิลปินพวกทั่วทั่วไทยที่ได้มาศึกษาอบรมโกรธได้สนใจในเรื่องของโกองธรรมะจะเป็นสมบัติของเราเป็นขั้นขั้นป็นถึงขั้นอันสมบูรณ์ แล้วเราจะได้ปวดแอ่ปวดภาละกลายเป็นคนที่มีเสรีภา พ, พภายในตนตลอดกาลในอาวสานาเานี่ยก็ธรรมาตกอ่งนี้เพอบุญญาณภาพหนึ่งองค์สมเด็จพระภูมิก็วพระจ่าพร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์ลงการคุ้มครองทั้งทั้งหลายให้มีความสุขสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญึินงามความดีโดยเทนนา ก, กันเท